ให้มันลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไ ป, งไปจนทะลุหมดนี่ความอาศาจาริการตต่สู้ของพระพุทธเจ้าเราครึ่งซึ่งก็เป็นเหมือนท่านท่านก็เป็นเหมือนเรามีท่าสคขันห้ามีอาการส2มสิบสองเหมือนกันไม่ได้แตกต่างท่านก็ไม่ได้จะบอกว่าเราไม่ได้เป็นพระเจ้าเป็นผู้ิเศษมาจากไหนเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยแต่สามารถรู้ได้เพราะนั้นมนุษย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 โซลา่าเซลเกิดขึ้นก็ <c oughs> <c oughs> ได้แปลงแสงพระทิศขึ้นมาเป็นแสงพลังไฟฟ้าลมที่พัดมาหลายศตวตรรษเมื่อนักวิยาศาสตร์วิศวกรทางลมนะพลังพลังลมขึ้นก็สร้างกังหันลมขึ้นมาแปลงพลังลมให้เป็นแรงของไฟฟ้าได้ทานหินที่มันจมอยู่ใต้ดินไม่รู้กี่ล้านปี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 เราทุกมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วกับโรคกูดโรคกุดหลงนะเพราะวั น, น, นั้นเพียงพอแล้วนะชีวิตของเราที่จะใช้เป็นตกเป็นทาสกับมันต่อไปน่าจะพอกันนะนํามาสแสวงหาทางใหม่ที่จะเปลี่ยนกําลังของโรคกูหลงให้เป็นกําลังของศีลกําลังของสมาธิกําลังของปัญญาที่พระศาสดาท่านตรัสเอาไว้เรียกว่าเปลี่ยนกฎ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 แล้ตัวสัจธรรมที่ปรากฏทุกวันทุกวันเนี่ยอาบน้ํากินข้าวเข้ า, ขาห้องน้ําหนักเบาเป็นสัจธรรมให้เราเห็นตลอดเวลาแต่เคยเอาใจใส่สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้บ้างหมเนี่ยมีสิ่งที่น่าคิดนะเราตายไปแล้วตายไปอีกก็ไม่เราไม่แน่ใจว่าเราตายไปครั้งนี้แล้วจะได้เกิดอีกมาเป็นอะไรเนี่ยเกิดมาแล้วจะมาเจอคําสอนพพุทธเจ้าที่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 แล้วก็ห้องน้ำยังไม่ว่างเราก็เอนั่งปฏิบัติรอไปเรื่อยๆถ้าหากว่าว่างแล้วก็ค่อยเข้าไปศึกษาเงียบๆเพราะนั้นในสนามวิธีการหลวงพอเทียนไอ้ข้อพิเศษของมันก็คือเราจะต้องทำในบรรยากาศที่ค่อนข้างกว้างขวางและเป็นธรรมชาติาที่ทำมานะก็ได้ผลชัดเจนก็ขออนุโมทนากับพระพร้อมกัน